เวหัพลาเนี่ยนะจนครบอายุ 100, 500กับพอเขาอยู่จนครบอายุ500กับเขาก็เน้นเจริญตติยชาญเน้นเจริญจตัตทยชาญอย่างประนีตก็มาเกิดในพรหมชั้นสุภกินหามีอายุ6กบกับในพรหมโลกนะนะจุติจากอายุ500กับมาเกิดในอายุ6กบกับแล้วก็ทำชาญที่สองให้ได้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 มันเน้นพิเศษเจริญตาติยะชานมาเกิดในชั้นสุภกินหาหกสกับแล้วก็ลดลงมาอีกเกิดในชั้นทุติยะชานเป็นอภัสราเนี่ยแปดกับแล้วก็กลับมาเกิดในปฐมชาตอีกอายุหนึ่งมาหากับแสดงว่าพรหมคนนี้เขามีอายุผ่านไปแล้วเท่าไหร่572นะรก้57กับเนี่ยนะตั้งแต่อดีตเนี่ยนะโอ้อยู่พรหมโลกจนลืมมันงั้นเถอะห้าร้อยเจกับเนี่ยมันจะธรรมดานะมันมันนานมากจริงๆเลยแหละมันนานนานจนลืมแหละว่างั้นแท้ ในตอนแรกๆเนี่ยนะเขาก็ได้รู้อย่างทั่วถึงกรรมที่ได้สร้างและสถานที่ตอนเกิดตอนแรกๆเนี่ยเขาก็นึกได้นะนึกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์มาเกิดในเวหาพระอยู่500กับตายจากเวหาพระมาเกิดในสุภกินหะ64กับตายจากสุภกินหะมาเกิดในอาภัสระอายุอีก8กับแล้วก็ตายจากเวหาพราตายจากอาภัสระมาเกิดในปฐมฌานมีอายุกับ1เนี่ยนะก็นานๆเข้ามันก็ลืมมานะจำไม่ค่อยได้แล้วเลอะือนไปหมด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 พรอมเนี่ยแค่เราเลือชาติกําเนิดตัวเองไม่ได้พระพุทธเจ้ารู้ทั้งหมดเนี่ยนะก็เรียกว่าอะไรนะห้ากลับยังลืมเล ย, ยงนั้นอ่ะนะทีนั้นพรอมก็บอกว่าพระโคโดมสมณะนะพระสมณะโคโดมท่านมารู้อายุท่านรู้ที่เกิดที่ฉันสร้างเอาไว้แต่ก่อนเอาละฉันจะถามถึงกรรมที่ฉันสร้างเอาไว้เมื่อก่อนกับเธอนนะอยากจะรู้จริงๆอะไรเล่าให้ฟังซิว่าเมื่อก่อนฉันทําอะไรมา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 กลับมาตามทางเดิมก็คือเดินแล้วเดินไม่รู้ตัวว่าเดินวกกลับมาหาที่เก่ากลายเป็นว่าเดินวงกลมหันเวียนไอเวียนกเกวียนเนี่ยมันแล้วแต่เกวียนนําหน้ากเกวียนนําหน้าพาไปตรงมันก็ไปตรงไอ้เกวียนนําหน้าพาโค้งกลับมาที่เก่าทําไงไอเกวียนห ล, หลังก็ตามกันมาพอสว่างจึงได้รู้ว่าอ้าวนี่มันที่เก่าว่างั้นนะนะครั้งนั้น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 คราวนั้นคราวนี้ตายแนย่พวกเราตายแน่เหมือนกันนะ่ะแดดร้อนร้อนเนี่ยนะกลางทะเลทรายเนี่ยไม่ธรรมดาเลยก็เลยเอาโคเนี่ยผูกไว้ที่ล้อต่างคนก็ต่างนอนอยู่ใต้ร่มเกวียนนะผูกโคไว้แถวข้างๆล้อเกวียนเนี่ยนะกนะ็สมัยเออ น, นี่นึกเข้าใจอ่ะนะเข้าใจไหมยา่าเพาะสมัยก่อนก็ทําแบบนี้เหมือนกันก็ที่นอนกน็ที่ไหนก็ใต้ท้องเกวียนนั่นแหละสบายดีเนี่ยนะนะเคยเห็นไหมพวกรถบรรทุกก็นอนที่ไหนใต้รองรถบรรทุกนั่นแหละ ทีนี้ฝ่ายดาวบทเช้าขึ้นมาก็ออกจากบรรณศาลาก็ไปนั่งดูแม่น้ําคงคาที่ประตูบรรณศาลาก็มองเห็นแล้วก็เห็นพ่อคาเนี่ยเสร็จแล้วก็เห็นแม่น้ําคงคามีห่วงน้ําใหญ่เต็มไหลเหมือนกับแก้วมนันีเคยก็เลยคิดต่ออีกว่าในโลกนี้เนี่ยมีบ้างไหมเนาะพวกที่ยังลําบากไม่มีน้ําอันอริอร่อยขนาดนี้ดื่ม น, น้ํานี่ใสสะอาดทีแท้มีใครไหมที่ไม่มีไม่มีน้ําดื่มอดอยากหิวกระหาย ขาดน้ําที่อร่อยเห็นป่านี้มีหรือเปล่าแสดงว่าเขามีกรุณามากนะเขาดูว่ามีคนทุกมีคนยากมีคนลําบากอดอ ย, กอยากอยู่ไหมเมื่อพิ่พรมเมื่อฤศีคนนี้พิจารณาอยู่ก็เห็นกองเกวียนนั้นในทะเลทรายก็เลยว่าขอสัตว์เหล่านี้จงอย่าชีพหายก็แปลว่าถ้าเรายังเห็นเห็นอยู่อย่าตายต่อหน้าต่อตาเลยเหมือนกันก็แม้ทะเลทรายเนี่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ น, น, นานๆงสาวันเนี่ยไม่มีน้ําไม่มีอะไรก็จบหมดแล้วเหมือนกัน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 ราวกับว่ามันไหลมาต้นน้ำน้ำในคลองมันขึ้นขึ้ น, ข, นขึ้นมาตามลำดับเนี่ยนะต่างคนก็ต่างลุกขึ้นเพราะได้ยินเสียงน้ำร่าเริงดื่มกินอาบนะนะพวกให้ทั้งคนทั้งโคก็เรียบเสร็จแล้วก็เดินทางไปสู่ที่ตนต้องการนั้นะพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงบุพกรรมของพรหมให้พระกะพรหมฟังว่าเธอได้ให้พวกคนที่กระหาย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 ดาบทได้ยินเสียงนั้นก็ใคร่ครวญว่าม่มันอะไรกันก็รู้ว่าภัยเกิดขึ้นกับพวกหมู่คนพรหมอษีนี้ก็เลยคิดอีกว่าถ้าเราเห็นอยู่สัตว์เหล่านี้ก็จะได้ชีพหายไปเลยก็เลยเข้าฌานมีอภินยารองรับในนะออกแล้วก็เนรมิตเป็นกองทัพสี่เหล่าเรียกว่าอธิฐานเป็นกองทัพใหญ่มาเล ย, เ น, ยนะนะพร้อมกับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะพร้อมกับ ก, บกองทัพเสนาะ พลบกพลราบพลยกว่าพลช่างพลมาพลราบพลรบเนี่ยมากันหมดเลยพลธนูก็มาอย่างงี้นะอ่านะคืออธิษฐานอธิษฐานด้วยอะไรด้วยอภิน ญ, ญาจิตใช่ไหมเดินทางสวนมากมาประสบกับพวกโจรพอดีเลยเนียนะโจรเห็นกองทัพเนี่ยนะโจรมันก็ไปเด็กฝึกฝีมืออะไรไหมทำไงดีก็พากันคิดว่าพระราชามาแล้วก็เลยทิ้งทิ้งไอ้ข้าวของที่ปล้นเนี่ยไปหมดก็นี้ไปหรือศีดาบทนั้นก็อธิษฐานว่า ของสิ่งของของผู้ใดจงกลับไปเป็นของของผู้นั้นนั่นและก็เป็นไปตามที่ท่านอธิษฐานทุกอย่างมหาชนก็ถึงความปลอดภัยพระพุทธเจ้าก็เล่าว่าบุพกรรมอันนี้ก็เป็นของท่านพร้อมเหมงอนกนกล่าวเป็นคาถาว่าเธอได้ปล่อยคนที่ถูกต้อนของที่พึงเอาซึ่งกําลังถูกนําไปสู่ตระกูลเนื้อสายใดนั้นเป็นวัดนั่นเป็นศีลาวัดเก่าของเธอ ชั้นตามระลึกได้คล้ายกับคนที่หลับแล้วตื่นฉะนั้นนนะก็เล่าว่าเออเนี่ยเธอเคยช่วยพวกชาวบ้านให้รอดพ้นจากโจรเนี่ยปล้นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะนะอีกเรื่องหนึ่งตระกูลที่อยู่ตามแม่น้ำคงคาในตอนบนเนี่ยกระทําสันทวไมัตรีกับตระกูลที่อยู่ทางแม่น้ำคงคาตอนล่างหมายความว่าตอนเหนือกับตอนใต้ น, นะนะแต่ว่าสัญจรไปมาโดยโดยอะไรโดยน้า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 หน้าที่เกิดอยู่ในแม่น้ําคงคาเห็นก็เดือดดาลเนี่ยนะโอยพวกนี้นะพวกนี้ไม่ทําเมสัญญาในพวกเราเราจะให้มันตกไปในทะเลให้ได้มันน่าจะเกรงอกเกรงใจกันบ้างเนี่ยนะมาดูสิมันร้องรําทําเพลงผ่านบ้านผ่านวิมานของเราไปเรื่อยเนี่ยนะเขก็อยู่วิมานเขาอยู่ใต้ใต้ใต้น้ำแม่น้ําคงคาเนี่ยไอพวกนี้มันยังไงกันเนี่ยนะก็เลยเนรมิตร่างกายใหญ่โตแยกน้ําออกเป็นสองส่วนโผล่มาแผ่พังพาน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 ประกาบเนี่ยพเพราะแสดงว่าพื้นฐานเขามีเมตตามีกรุณามีเพื่อนเาเรียกว่าสงสารสรรพสัตว์เนี่ยนะเสร็จแล้วก็เข้าชานเมียพิญญารองรับละร่างของดาบทแปลงเป็นครุฑเนี่ยนะแล้วก็บินออกมาก็เ อ, อ้ยนกกังงูเนี่ยนะนกตัวใหญ่ขนาดเอ้งูมตัวใหญ่ยังไงเห็นนกบินเหี่ยวเฉียวมาก็เข้ารู้แล้วเนี่ยนะไอยู่แล้วหมือนันนะ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 แล้วก็จิกกินสบาเนี่ยแล้วก็โยนซากทิ้งในทะเลเนี่ยนะก็เรียกว่างูกับครุดเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันประจำมนะันนะหน้ากับครุดเนี่ยเหมือนกับ น, นกกับงูะนะนกกับงูเนี่ยมันประจําเลยะนะทีนี้แม่นกมันบินได้งูบินไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็แพ้แพ้นกหมดะนะเพราะฉะนั้นในที่สุดก็อันนี้พญา น, นาคก็นนเห็นครุดบินมาทั้งนี้ก็หลบแล้วเนี่ยนะ